สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตระเยซูตอนที่สามสินะครับโดยหัวข้อย่อยก็คือพระเยซูเผชิญการทดลองครับตอนที่เจ็ดซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อย่อยในวันนี้นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราพบกับมารซาตานหรือเราเจอหรือเราตระหนักรู้ว่านี่คืองานที่มาจากมารซาตานนั้นเราควรจะทําไงครับเราควรจะต้องเรียนแบบระเยซูว่าไล่มันนะครับพรปเยซู ในข้อที่สิบของพระธรมมัทธิวบอกว่าไอซ า, าตาจงไปเสียให้พลและหลังจากนั้นพระเยซูก็ยกพระวจะนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนแรกนะครับซึ่งผมอยากจะสรุปนะครับทั้งเจดวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่พระเยซูเผชิญกับการทดลองนะครับเป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่สองครับเรารู้ครับว่าซาตานนั้นมันตั้งใจที่จะหลอกล่อพระเยซูให้หันเหจากแผนการที่พระเจ้าได้ทรงตรมิตไว้ พระเจ้ามีแผนการนะครับชัดเจนให้กับพระเยซูให้พระเยซูได้ครอบครองโลกนี้โดยการชิ้นประชนของพระองค์โดยพระคุณนะครับหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยพระเดชก็คือการที่ภากษาลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อประการที่สามครับซาตานทดลองพระเยซูโดยใช้ปัจจัยทางร่างกายนะครับปัจจัยทางร่างกายเป็นประการแรกแล้วก็ความปรารถนาทางด้านชื่อเสียงเป็นประการที่สองนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของความปรารถนาทางด้านอำนาจศักดิ์ศรีเกียรติยศนะครับเป็นอันที่สามสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหลอกล่อพระเยซูครับเช่นเดียวกันมันก็เป็นเครื่องหลอกล่อเราทั้งหลายประการที่สี่ครับซาตานมันเสนอทางลับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจะได้รับอาหารวันหนึ่งโลกทั้งโลกจะรู้จักพระองค์วันหนึ่งพระองค์จะครองโลก ก า, าราล่อหลอกพระเยซูสร้างทางรัดให้กับพระเยซูให้ทําสิ่งเหล่านี้ก่อนวาระ ก, กําหนดการที่พระเจ้าได้ดําริไว้นี่คือประการที่สี่ครับบทเรียนประการที่ห้าก็คือพระเยซูทรงยกข้อพระคัมภีร์มาเป็นอาวุธต่อสู้กับซาตานนั่นหมายความว่าเราเองหากจะสามารถจะไล่ซาตานออกไปได้และเอาชนะการทดลองรการล่อลวงของมันแล้วก็จะต้องคล่องพระคัมภีร์ต้องเรียนพระคัมภีร์ นะครับต้องศึกษาพระคัมภีร์ต้องอ่านพระคัมภีร์บทเรียนประการที่หกครับพระเยซูตรัสสั่งให้ซาตานว่าให้ไปให้ผลนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม Поэтому, aslında, ่มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับมันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมันไม่มีอะไรที่โยงใยเรากับมันเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดความสัมพันธ์กับซาตานนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นการตัดความสัมพันธ์กับยินยันชั่วทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยครับ ประการสุดท้ายประการที่เจ็ดครับซาตานทดลองพระเยซูอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จากไปและหวังจะกลับมาอีกเมื่อมีโอกาสตั้งหมายความว่าการทดลองนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าที่เข้ามาถึงชีวิตของพระองค์รวมทั้งของพวกเราด้วยก็เช่นเดียวกันครับมันหาเวลาหรือโอกาสเหมาะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะล่อลวงเราทําให้เราหลงทําบาปและตามมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างเหล่านี้ได้นะครับ ผมอยากจะเปรียบเทียบก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นๆผมอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการทดลองของพระเยซูนะครับที่ได้รับจากซาตานหรือการล่อลวงที่ซาตานล่อลวงพระเยซูนั้นมันคล้ายกับเอวาครับที่อยู่ในปสม ก, การบทที่สามนะฮะที่ถูกงูดึงดาบันซึ่งเป็นงูใหญ่นะครับในคราบมารซาตานในคราบของงูนั้นเหมือนกันครับนะครับผมก็ยุบ ยกเป็นเอข้อสังเกตนะครับการทดลองทางร่างกายนะครับเอวาก็โดนเหมือนกันก็คือเจ้าอาจกินผลไม้จากต้นไม้ก็ได้ในสวนนี้เห็นไหมครับเรื่องของการกินครับเปเชอรก็เหมือนกันครับในฏิบทที่4ท่านจะมีอาหารหากท่านเปลี่ยนก้อนก้อนหินเหล่านี้ให้เป็นขนมปังเห็นไหมครับเหมือนกันครับการทดลองด้านชื่อเสียงครับ เอว่าถูกงูบอกว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเห็นไหมครับพระเยซูมัทธิวบทที่สี่บอกว่าแม้แต่เท้าก็ยังจะไม่บาดเจ็บอันนี้คือการชื่อเสียงครับมีคนเกิดมาแล้วไม่ต้องตายนะครับและไม่ตายด้วยถ้ากินผลไมน้นี้นี่คือสิ่งที่มารซาตานได้ล่อลวงเอวา่าและมันก็พยายามที่จะหลอกล่อพระเยซูนะครับบอกแม้แต่เท้าของท่านก็จะไม่บาดเจ็บต่อไปครับด้านพระราชอํานาจ ด้าหรือด้านอานาจเอวานั่นก็ถูกมารซาตอล่อลวงก็คือว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าทูบี l ล k e กอนะครับที่ผมพูดมาแล้วพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับท่านจะได้ครองอาณาจักรต่างๆของโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงความเหมือนกันนะครับของ อ, อุบายกลอุบายของมารซาตานในการล่อลวงมนุษย์คนแรกนะครับคืออาดัมและเอวาตลอดจนเลื่อยมาจนั่งถึงพระเยซู แล้วก็เลื birthday, really ion, ่อยมาจนนั่นถึงพวกเราครับพี่น้องครับเราก็ไม่พ้นครับเรื่องของการกินความจําเป็นทางนั้านร่างกายความจําเป็นทางเพศนะครับเราก็ไม่พ้นครับเรื่องความจําเป็นอยากจะได้ชื่อเสียงนะครับอยากได้ชื่อเสียงนี่เป็นนิดเล็กคอรนิชั่นนะครับอยากจะได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับและประการที่สามครับด้านอํานาจเมื่อมีฐานะปุ๊บนะครับอํานาจต้องตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มานตราตานั้น มันได้ดีไซน์แผนการต่างๆในการรอดรัวมนุษย์โดยเพราะอย่างยิ่งมนุษย์สมบูรณ์แบบก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพี่น้องครับเราจะเห็นอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าเราเจอการทดลองนะครับเราตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องว่ามีชัยชนะไหมครับมีแน่นอนเราตั้งใจที่จะใช้พระเจนะของพระเจ้าเนี่ยมาต่อสู้กับมารพรมีบอกว่ามารจะหนีเราไป นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างข้อเพิ่มพีนะครับสามข้อด้วยกันนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้มีกําลังใจในการต่อสู้กับมานะครับพระคัมภีร์ข้อแรกหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบาพี่น้องต้องจดไว้นะครับแล้วก็เปิดเพิ่มพีและขีดเส้นใต้ครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตยธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์ทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้นี่คือพิ่มขีดรอนแรกนะครับเพิ่มีตอนที่สองครับอยู่ในฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบห้าสิบหกฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบห้าสิบหกเพราะว่าเราไมิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระนิ่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการกับให้เราพึ่งในพระคุณของพระเจ้านะครับอีกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับย่าก่อบท 12, อบที่หนึ่งข้อสิบสองยากอบทที่หนึ่งข้อสิบสอง คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับรมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่ ร, รับโปรงพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายมากนะครับและพระองค์ไม่ยอมให้การทดลองที่ทําให้เราต้องถูกตัดออกจากความรักของพระเจ้าแน่นอนครับพระองค์จะมีพระคุณเพียงพอที่เราจะอาศัยพระองค์พึ่งพาพระองค์ ด้วยการอธิษฐานการบิงวอยและการมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์จะทําให้เราสามารถชนะการทดลองหรือการล่อลวงเหล่านนั้นได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกนะครับว่าจากพระวจนะของพระเจ้านะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาผมอยากจะสรุปเกี่ยวเรื่องการทดลองสั้นๆนะครับสามประการด้วยกันก็คือว่าการทดลองแล้วการทดลองนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับ บางคนบางสถานที่ที่ทําให้ประสบการณ์กับการทดลองนะครับมีผลต่อชีวิตของเราเราควรจะเดินออกไปออกห่างจากคนนั้นออกห่างจากสถานที่นั้นนะครับการทดลองมีอยู่ทั่วไปครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาประการที่สองครับพระเจ้าทรงรู้ขีดความสามารถขีดจํากัดของเราสําหรับการทดลองแต่ละอย่างพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีการทดลองใดๆเกินกว่าที่เราจะทนได้ นี่เป็นความแตกต่างสําหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนนะครับพี่น้องครับเราอาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างนะครับเราอา จ, จต้องมีกําลังมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรครับเพราะกิจจากัดของเรานั้นมีศักยภาพในการทนต่อหลายสิ่งหลายอย่างได้มากกว่าคนอื่นพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราเป็นตัวอย่างในการอดทนให้กับคนอื่นๆโดยด้วยได้ด้วยประการที่สามครับพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางครับที่จะหลีกเลี่ยง ต่อการทดลองการจัดเตรียมนี่จะเป็นประโยชน์ถ้าเราตั้งใจที่จะเอาชนะต่อสู้กับมารนะครับเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเข้ามีส่วนเข้ามามีส่วนในการทดลองที่เกิดขึ้นและเราขอให้พระเจ้าช่วยให้สามารถเอาชนะการทดลองได้และพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางที่จะหลีกเลี่ยงได้พี่น้องครับเราต้องมั่นใจพระเจ้าและต้องเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางให้หลีกเลี่ยงการทดลองได้ด้วย ่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้อเมน